สุดท้ายใครมีอะไรที่จะถามไหมค่ะอาจารย์เออขอถามเรื่องที่จะรายงานวันที่สิบสาเนี้ยค่ะเพราะว่ า, าองนฮัลโหลได้ยินไหคะอาจารย์ได้ยินเสียงน้องแบบฮาฮัลโหลได้ยินได้ยินได้ยินอได้ยิน เออคุณก้อยจะถามเรื่องการรายงานใช่ไหมมีใครได้ยินเสียงน้องบ้างไหมคะน้องไม่ได้ยินเสียงทุกท่านค่ะโอ้ยเขาได้ยินกันหมดแหละคุณน้องได้ยินเปล่าพี่น้องมีปัญหาเรื่องไมค์ค่ะพระอาจารย์ไม่รู้คุณก้อยค่ะก็ก็เป็อยากจะขอคําแนะนําพระอาจารย์นะคะว่า เนื่องจากได้เป็นกลุ่มแรกอะค่ะที่จะต้องรายงานวันที่สิบสามเนี้ยค่ะได้ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่แพทย์อาจารอยากจะให้รายงานเรื่องสําคัญสำคัญเลยคืออะไรอะคะไม่ไม่ไม่ไม่มีอะไรเรื่องสําคัญหรอกก็เรื่องสําคัญเรื่องสําคัญของมันก็ประเด็นที่เราฝึกอยู่นี่ไงฝึกฝืนนี่ไงก็ให้เขารายงานกลุ่มของการที่ว่าเรือประเด็นของมันก็คือการเรื่องตรงกับหัวข้อที่เราฝึกกันแหละ อืมฝึกฝืนเนี่ยเขาฟื้นอะไรฝืนยังไงแค่นั้นแหละคุณคุณก้อยถ้าค่ะเออไม่ต้องไปซีเรียสเออได้แค่ไหนแค่นั้นไม่ต้องไปซีเรียสนะเออหัวข้อมันก็อยู่ที่แล้วที่ว่าหัวข้อกับประเด็นหัวข้อที่เราฝึกนี่แหละเป็นหลักละอ่าฮะเออจับหลักตรงที่หัวข้อที่เราพากันทํานี่แหละก็ฝึกฝืนนั่นแหละเขาฟืนอะไรฝืนแล้วมีผลเป็นยังไงหรือแม้แต่ว่าให้เขาศึกษาว่า ที่การศึกษาสื่อที่เข้ามาจากการอ่านจากการฟังและการทดลองมีความเข้าใจยังไงแล้วเมื่อเข้าใจแล้วนำไปฝืนกับอะไรบ้างแค่นั่นแหละอ า, ามประร ม, มาณนั้นแหละสวัสค่ะค่ะ ข, ขอบพระคุณค่ะไม่ต้องไปเครียดคุณน้องหายไปไหนแล้ว โทรศัพท์มันแทบจะแฮงค่ะผ้าจานก็ <Yeah. S 1> <laughs> ลเลยาหายออกไปต้องไปเปิดไปปิดสองครั้งค่ะทีนี้ไม่ทราบว่าตอนที่ช่วงน้องไม่ได้ยินเสียงค่ะอ่ามีข้อความที่ก้อยเขาฝากไว้แล้วก็ผ้าจารย์ยังอาจจะตอบแล้วแต่น้องหาไม่เจอว่าอยู่ตรงไหนคะ่ะผอาจารย์ที่ก้อยเขาถามมาค่ะน้องได้ส่งน้องได้ส่งข้อความถามเข้าไปอะคะ่ะถ้าถ้ า, าถ้าอย่างไรก<อ>่เอเนี่องไหนลองถามใหม่ดิ ค่ะเป็นเป็นคำถามจากสมาชิกกลุ่มศรัทธานะคะว่า น, นั่งสร้างจังหวะทบทวนเมื่อวานไปได้สักพักขุนเคืองคนงานก็เข้ามาอีกความขุนเคืองคนงานก็เข้ามาอีกเลยเข้าไปดูในใจเห็นความพยาบาทความผูกใจเจ็บที่เรามีต่อเขาด้วยตลอดมาเหมือนเราถูกเขาเถูกเขาทาอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะ แล้วเราก็ปล่อยหลับตาไปข้างหนึ่งคือดูแต่ส่วนดีของเขาเมื่อเห็นว่าอะไรเกิดขึ้นซึ่งไม่รู้จักซึ่งไม่รู้ถูกหรือผิดความโล่งเบาเกิดขึ้นในใจทันทีถึงแม้จะไม่หมดแต่ลดความสงสัยในตัวไปเยอะความพยาบาทอาฆาตส่งผลต่อการปฏิบัติมากจริงๆใช่ไหมนะคะ คือส่วนหนึ่งของนิวรณเนียค่ะน่ากลัวมากที่เรามาข้างต้นไม่ทราบถูกแท้จริงอย่างไรกราบขอเมตตาพระอาจารย์บอกกล่าวชี้แนะด้วยเจ้าค่ะเอออันนี้อันนี้ที่เราตอบไปแล้วเรื่องเกี่ยนิวรณ์นะนะคะเออจะไม่รู้อยู่ไหนเดี๋ยวตอบใหม่ก็ได้ค่ะอันนี้ขออาจารย์ตอบตอบอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะค่ะขออาจารย์ตอบอีกครั้งนึ่งว่าเราตอบไปแล้วที่ว่าเออเขาเขาจะถามเรื่องเกี่ยวกับไอ เรื่องของนิวรนที่เป็นอุปสรรคต่อการภาวนานั่นแหละทั้งหมดสรุปแล้วนะ่ะอือค่ะอาจารย์แล้วก็เอจิมเขาเขียนโนต้ตไว้อะค่ะว่าอ่าอะไรนะคะช่วงประชีมเนี้ยจิมจะข อ, อะปรึกษาเรื่องแบบฝึกหัดฝนะึก ฝึกฝืนว่ายังคงแยกเป็นฝืนนอกฝืนในหรือเปลี่ยนเป็นฝืนหลักหรือฝืนรองตามที่เคยปรึกษาเนี่ยค่ะก็จะขอให้จิ๋มลองเสนอประเด็นนี้นิดนึงค่ะจิ๋มว่ามาว่าเรื่องฝืนนอกฝืนในอ่ะค่ะจริงๆแล้วอ่ะในเรื่องหนึ่งมันฝืนทั้งนอกทั้งในอะค่ะอย่างที่เคยเคยเคยเรียนภระอารย์อย่างเช่นอะฝืนนอกก็คือจิ๋มอยากกินขนมตอนเย็นอ่ะ แต่ว่าฝืนในคือจิ๋มต้องฝืนความอยากของตัวเองเนี่ยมันก็คื อ, อทั้งฝืนนอกฝืนในอทีนี้ก็เลยคิดว่าถ้าจะให้แยกฝืนนอกฝืนในมันจะมีคําถามมาเยอะแยะซึ่งแบบมันก็จะต้องอคอยตอบอะค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นฝืนหลักฝืนรองแต่ว่าเสนอว่าออให้พิจารณาอืพิจารณานีในใจจิ๋มหมายความว่า มีสองเรื่องอะคะ่ะจะฝืนก็ได้แต่ว่าเวลาฝืนะ่ะขอให้ฝืนให้ดูสิ่งที่เกิดขึ้นในใจด้วยอะคะ่ะไม่ต้องเรียกมไม่ต้องเรียกว่านอกในนะคะเพราะเพราะว่าจริงๆแล้วนอกกับในมันก็อันเดียวกันะ่ะเพียงแต่ว่ามันมองคละมุมความเข้าใจของจริงเออจิมจริงๆไอ้ที่เ้าให้เขาหัดรู้ฝืนนอกฝืนในเนี่ยอาตมาจะให้เขาเขาหัดเรื่องรูปนามไปด้วย เออเนี่ยเพราะว่าบางทีนะถ้าเราไม่ชัดเจนตรงจุดนี้ปุ๊บเวลาเราไปทำปุ๊บอ่ะเราจะเอาเรื่องของรูปของนามายํารวมกันแล้วแล้วมันมันจะไม่ไม่ชัดเจนจนระิจริงๆมันไปด้วยการนั่นแหละเรื่องรูปของนาเนะี่ยที่สืนข้างนอกเช่นไม่กินกาแฟออันนี้คือวัตถุนี่คือข้างนอกไม่กินกาแฟใช่ไหมแต่ข้างในะคือตัวอยากกินกาแฟเนี่ยเราจะให้เข้ามาเห็นทั้งสองตัวว่าอันนี้ตัวกาแฟเนี่ยเป็นตัวข้างนอกและไอ้ตัวอยาก จะกินกาแฟนี่เป็นตัวข้างในให้เขาเห็นว่าเออเราเราจะได้ว่าแม้แต่มีความอยากกินกาแฟอยู่แต่ว่าข้างนอกเราไม่ทําตามเนี่ยคืออยากฝึกซ้อมเขาตั้งแต่เราเริ่มก็เริ่มไล่ต้อนเข้ามาเนี่ยให้เขาหัดเรื่องรูปนามรูปนามมาเรื่อยๆเนี่ยเพื่อเราต้องการให้เขาก็เห็นนอกเห็นในเห็นนอกเห็นในเห็นนอกเห็นในอยู่เรื่อยเพื่อแยกกลุ่มของอารมณ์มันจะได้ไม่ปนกันไงจิ๋ม ถ้าเกิดว่ากาแฟนี้จะฝืนไหนนี่คือให้ฝืนอารมณ์ที่อยากกินกาแฟหรอคะแต่ไม่ตองฝันอารมณ์ที่อยากกินกาแฟนั่นคือตัวข้างในแต่ตัวกาแฟเป็นตัวข้างนอกใช่ไหมจิมจิมยังงงสองตัวนี้อยู่เรื่อยๆอยู่ <c oughs> เป็นคนอย่างนี้ด้วยเวลางงอะไรแล้วมันมันยังไม่ค่อยแจ้งจิมจิมต้องค่อยๆทาไปเดี๋ยวจะค่อยๆแจ้งลองหัดดูสิ กาลังคิดว่าจะอธิบายเขายังไงเพราะเขียนยังไม่เข้าใจเลยก็ไ ม, <c oughs> ไม่เป็นไรถ้าเก็สงสัยยังไงก็เอามาเดี๋ยวประชุมกันก็มาคุยกันบ่อยๆอย่างเช่นบางคนเขาเขาคิดถึงเรื่องอะไรคิดถึงตัวตัวแฟนนี่ตัวนอกใช่ไหมอยากตัวหาแฝนนี่ตัวในอย่างเงี้ยที่ก็เข้ามาเนี่ยเขาก็ฝืนความอยากข้างในนั่นแหละแล้วไม่ทํามาข้างนอกเนี่ยแล้วอยากให้เขาเห็นเขียนแดนว่าอันไหนคือรูปอันไหนคือนาม เนี่ยเราต้องการให้เขาย้ำรูปนม้มรูปน้มให้มันชัดอย่างนั้นโจทย์เขาก็เป็นข้อสองข้อก็คือหนึ่ง <c oughs> ให้ตัวหาแฟนสองเปลนความอยากตรงเนี้ยเหรอคะถูกต้องถูกต้องเขาก็จะเห็นว่าเออนอกแฟนคือตัวนอกคือตัววัตถุแต่ตัวความอยากก็ไหนคือตัวในค่ะเห็นไหมแต่ตอนเนี้ยเขาเข้ามาค่ะ จิมต้องการจะสื่อสารว่าในในการฝืนแต่ละเรื่องนั้นน่ะคะ่ะให้เขาดูทั้งนอกและในอย่างนี้จิมเข้าใจพี่เข้าใจอย่างนี้ใช่เปล่าคะจิมอย่างเช่นสมมุติว่ า, าเขาอาจจะฝืนเรื่องไม่โทรหาแฟนนะะี่ยค่ะให้แยกประเด็นไปว่าประเด็นมันแบ่งเป็น2ประเด็นคือนอกกับในจิมต้องการจะสื่อสารอย่างนี้หรือเปล่าคะ ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราบอกว่าให้ตั้งนอกอันหนึ่งอันในอันนึงอะจิมคิดว่ามันจะเป็นคนละเรื่องกันนะคะแต่จริงจริงอะในนอกอะมันก็มีในของมันด้วยคือในอและและในยะคือพระอาจารย์อย่างต้องการให้ให้มันเป็นนอกกับในแต่ว่าในานอกกับในนั้นอยู่ในเรื่องเดียวกันอย่างนี้พระอาจารย์ใช้ได้ไ้ยคะพระอาจารย์เดี๋ยวต้องมาถึงเรื่องตอนนี้จิม จะต้องเข้าใจดีๆว่านอกนะ่ะสมมติว่านอกสมมติเรื่องกับเรื่องการอะไรเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นนอกเช่นเรื่องการซื้อสินค้าซื้อสิ่งของอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะเป็นนอกใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยในอ่ะในในในจริงๆที่ตะมากำลังแนะนำวันเนี้ยคือในจริงๆี่ยจะให้ฝืนที่สุดคือฝืน ไม่ทำอะไรกับภาวะอารมณ์นั้นๆเลยในอะ่ะมันจะอยากเราก็ฝืนที่จะไม่ทำคือเราเราจะไม่ทำอะไรกับมันเลยเพียงแต่ว่าทาทาหน้าที่รู้การกระทําของมันเท่านั้นเองวะนี่มันอยากข้างในตอนเนี้ยหลักประเด็นก็นมันในตัวในจริงๆเนี่ยเราต้องการแค่ว่าให้รู้ฝืนฝืนเพื่อให้รู้ว่า ความอยากกาลังทํางานอยู่แต่เราไม่ไปทําตามความอยากนั้นเข้าใจงั้นอันนี้ไหมอันนี้เข้าใจค่ะอาจารย์เออต่อไปเนี่ยที่เรากำลังหัดเนี่ยเพื่อต้องการที่จะลดการกระทําในใจที่ที่จะไปทําอะไรกับอารมณ์ข้างไในอย่างลดเลยแต่ละลดลดมันลดที่ลดที่จะไม่กระทํามันแต่รับรู้อาการของมันเฉยๆเวลาเราฝืนนะ่ะนะ รับรู้อาการของมันเฉยๆแต่จะไม่ทําตามประมาณเนี้ยเพื่ อ, อเออเพื่อต้อนให้เขาเพื่อต้อ่อมให้จิตเขาเข้ามาสู่ตัวอุเบกขาให้ได้ตัวอุเบกขาให้ได้เพื่อต้อนร่อมเขามาสู่ภาวะของตัวรู้สึกตัวจริงๆที่เขารับรู้เรื่องราวแล้วเขารับรู้อารมณ์รับรู้การกระทําของมัน <ใช S 1> แต่ตัวเขาน่ะไม่ทําอะไรกับมันเนี่ยเราจะต้อนใน เราจะพยายามตัรอมให้เข้ามายิงจุดเนี้ยให้ได้ส่วนข้างนอกมันจะเป็นมั่นอยู่รู้สึกคนตุ่มจะมีเรื่องอะไรคุยไหมขอโทษค่ะึ <c oughs> ตอนเนี้ยออโอเคอาจารย์คะนกขออนุญาตค่ะสมมุติว่านกยกตัวอย่างว่า นกเป็นคนที่ชอบกินทุเรียนมากเห็นแล้วเนี่ยมันจะอดใจไม่ได้มันจะอยากเลยแต่ว่าเราเห็นความอยากเราฝืนไม่ไปทำอะไรกับความอยากก็คือไม่ซื้อมากินมไม่เดินไปหามไม่อะไรกับมัน อ, มอันนี้นี่คือฝืนในถูกต้องไหมคะอันนี้แหละอันนี้คือยังไม่มีทุเรียนใช่ไหม ยังไม่เห็นทุเรียนใช่ไหมแต่คิดเรื่องอยากจะกินทูเรียนใช่ไหมที่พูดเนี่ยทั้งเห็นทั้งเห็นทั้งไม่เห็นละค่ะตอนที่อ่าเท่าน no. ถ้าทั้งเห็นด้วยแล้วอยากด้วยอันนี้มันจะเป็นทั้งนอกทั้งในเลยแต่แตถ้ า, ถาไม่วงที่อท เ, เออถ้าไม่เห็นทุเรียนแต่คิดอยากจะกินทุเรียนอยากจะซื้อเรียนอันนี้แหละเรื่องข้างในอันนี้เรื่อข้างในล้วนๆเลยหละค่ะอืไม่เห็นวัตถุเลยออแต่ว่าอยากจะไปแล้วก็ไม่ไปดีกว่า ไออเห็นี้แฟละไม่เห็นกาแฟเลยแต่อยากกินแต่อยากกินกาแฟอยากจะกินร้านกาแฟเมซอนเนี่ยอยากกินมากแต่ไม่ไปนี่แหละก็ฝืนในอะค่ะอย่างเงี้อืมมันจะจำง่ายง่ายเออจําง่ายๆเลยคือเมื่อมีวัตถุสิ่งนั้นด้วยแล้วต้องฝืนด้วยเออแล้วต้องฝืนด้วยนี่ยเรียกว่าทั้งนอกทั้งในแต่เมื่อวัตถุสิ่งนั้นไม่มีเแต่เราคิดนึกถึงมันอันนี้เรียกาฝืนข้างในล้วน ไม่มีข้างนอกอนกยกหมอหนกยกตัวอย่างดีมากเลยตรงจุดนี้มันจะจำได้ชัดเจนว่าอ๋อวิธีการฝืนนอกฝืนในเป็นอย่างนี้บางครั้งบางครั้งต้องฝืนพร้อมๆกันไปเลยเมื่อมันมีวัตถุสิ่งนั้นด้วยแล้วมีความอยากด้วยอันนี้ก็จะแบบข้างนอกข้างในแต่บางครั้งวัตถุอนั้นไม่มีแต่มีความอยากข้างในเนี่ยเราฝืนข้างในล้วนๆเลย จิ้มเข้าใจเนาะอย่างนกถามตรวนี้น่าจะชัดเจนอยู่ง่ายๆายออเออประมาณนี้แหละแต่ถ้าสมมุติว่าแต่ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยเราไม่ชอบใครบางคนไม่ชอบมากๆเลยแล้วก็แต่เราเจอเขาทุกวันเลยแล้วเราก็ตั้งข้อว่าแล้วเราก็ตั้งข้อฝืนว่า เราจะไม่พูดถึงเขาเราจะไม่ผสมลงเราจะไม่อะไรกับเขาเลยอันนี้ก็เป็นในเหมือนกันใช่อันเนี้ยถ้าเราเจอเอ า, อางี้ถ้าเราเจอกับเขาในปัจจุบันปับ๊บอันนี้เป็นทั้งนอกทั้งในเลยอ๋อก็เ<ต>หมือนวัตถุเมื่อกี้นี้อะอะแต่ว่าถ้าบางครั้งเราไม่เจอหน้าเขาแต่คิดคิดเมื่อกี้ไม่เจอหน้าเขานะแต่เห็นของของเขาบ้างเห็นรถของเขาบ้างแล้วมันคิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็เหมือนในเลย อืมค่ะอืมอืมแต่ให้จําไว้เลยว่าข้างในหลักของมันคือฝืนที่จะไม่ทําอะไรกับมันให้มันไม่ชอบก็ไม่ชอบอย่างนั่นแหละแต่ฉันไม่ไปทําอะไรต่อเพื่อจะจะจําลักษณะความไม่ชอบได้ชัดเจนจําลักษณะของอารมณ์ได้ชัดเจนจำความทุกข์ของมันได้ชัดเจนมันจะได้เข็ดจิตจะได้เข็ดจิตจะได้เรียนรู้ได้เต็มที่เนี่ย เออนกออนไลน์สมมุติว่า อ, อ, อีกอันหนึ่งสมมุติว่าเราตั้งข้อฝืนว่าเราจะไม่ทําสิ่งที่เราชอบหรือว่าล่ะเอ่อเช่นเช่นอะไรอะ่ะอันเนี้ยเราจะไม่ทําสิ่งที่เราชอบอันนี้ก็เป็นในนะคะใช่ไหมคะคือไม่ว่าอะไรพอเราเจอปุ๊บเนี่ยเรา คือมันอาจจะเป็นทั้งนอก ừ, และในแะแต่ว่านกๆกคิดว่ามันอาจจะเป็นทั้งนอกและนนในเช่นในกรณ<ไ>ีท<ะ>นนี่เราเห็นู้เรียนนั่นแหละก็คือเราเห็นปุ๊บเราก็เราก็เราก็เป็นทั้งนอกทั้งในแต่ถ้าเราไม่เห็นก็เป็นในอย่างเดียวถูกต้องแต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นอย่างอื่นเช่นมันเป็นอากาศมันเป็นเสียงมันเป็นกลิ่นมันเป็นรสที่เข้ามา แล้วเราพอใจหรือเราไม่พอใจออนนแล้วเราก็ฝืนที่จะไม่ไม่เวอร์ไม่แสดงออกไปไม่โวยวายไม่พูดไม่แสดงวดจจกรกมหรือกายกรรมอันนี้จริงๆแล้วเป็นฝืนในใช่ไหมคะใช่แต่ว่าในเวลาเดอกันปุ๊บอะอย่างเช่นอ่าวสมมติโอ้โอากาศพอมันเย็นๆโอ้มีความเย็นเกิดขึ้นมาปั๊บใช่ไหมอันนี้นะ มีแค่ข้างนอกแล้วนะมีอ่ามีข้างนอกแล้วนะแล้วเกิดความพอใจข้างในปุ๊บอ๋อนี่นพอใจนะเราก็จะฝืนความพอใจอันเนี้ยอันเนี้ยจังหวะเนี้ยเป็นจังหวะทั้งเรื่องข้างนอกด้วยข้างในด้วยเพราะว่ามันเป็นจังหวะปัจจุบันที่ความเย็นนั้นมากระทบกับเราพอดีแล้วก็ความชอบเกิดขึ้นพอดีแล้วเราตั้งเจตนาที่ oh. ว่าจะฝืนความเมื่อชอบแล้วเราจะไม่ทําตามเราจะไม่เวอร์มันเราจะไม่ทําตามมันเราจะดูมันเฉย เช่นสมมุติว่าเราอะ่ะ เ, เดินไปแล้วเรามันมีมันมีพัดลมสายมาแล้วเรากาลังร้อนอย่างเงี้ยการการฝืนไม่ทำสิ่งที่เราชอบก็อย่างเช่นเราจะไม่เดินจ่อเดินตรงไปที่อยู่หน้าพัดลมเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็คื อ, อเราจะนไม่ทำในสิ่งที่เราชอบอืมก็ประมาณนี้ อืมจริงๆไม่่ายากเลยเนาะแต่ขนเลยไปแต่เนาะไม่มันมันยากตรงนี้ค่ะเออคุณใครมาแล้วมาแล้วมันยากตรงที่ทุกเรื่องมันจะมีทั้งการกระทําแล้วก็มันมีทั้งข้างนอกอะไข้างในมันก็เลยบอกว่าอันนี้เป็นอันนี้มันก็เป็นนอกนะอันนี้มันก็เป็นนอกได้นะอันนี้มันก็เป็นในได้นะอย่างเงี้ยเหมือนเมื่อก่อนนเเป็ เหมือนเมื่อก่อนที่นกฝืนที่จะไมไ่ทานข้าวเย็นเงี้ยอืมโอ้โหเราเคยทานมาทั้งชีวิตแล้วเราก็ฝืนอย่างเงี้ยจริงๆอะเราฝืนใจเรามากเลยแล้วทําไมไม่เรียกว่า hmm. เป็นฝืนในทําไม hmm. มันเป็นการฝืนนอกอย่างเดียว hmm. คือคือจริงๆมันมีทั้งฝืนข้างนอกที่จะไม่กินแล้วก็ฝืนใจข้างในที่จะไม่ทําตามอืม hmm. คือมันก็เลยเกิดความสับสนค่ะนกเข้าใจคุงจิม น, นะคะเพราะนกก็เคยเป็นว่า ของบางอย่างอ่ะมันเป็นได้ทั้งสองอย่างอืมของบางอย่างมันเป็นได้อย่างเดียวค่ะแล้วเอออย่างมีบางคนเขาถามนกว่าเอ่อฝืนเรื่องอะไรดีอ่ะนกก็ไม่รู้จะตอบว่าอะไรนกก็นกก็จะถักปรึกษาท่านอาจารย์นะคะนกตอบไปว่าฝืนเรื่องที่แรงๆสิที่เป็นร่องลึกๆของเราอ่ะอที่มันตกหลุมบ่อยๆหรือไม่ก็ ถ้ามันไม่ใช่ล่องลึกๆแรงๆก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยๆในชีวิตประจำวันเราจะได้เห็นมันบ่อยๆเราจะได้ฝึกฝืนบ่อยๆนั่นแหละถูกแล้วคขอบคุณค่ะอืมพี่มีว่าไงสมมติว่าถ้าเราบอกว่าเออบางคนก็บอกก็จะฝืนอ่าคือให้ตื่นเช้าๆตื่นตีห้าทุกวันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะจัดเป็นฝืนอไรคะ อันเนี้ยอันนี้ได้ทั้งนอกทั้งในเลยแหละถ้าสมมติอย่างนี้เขาตั้งใจฝืนตื่นตีห้าเขาตั้งใจจะตื่นตีห้าทุกวันอันนี้เรียกว่าฝืนข้างนอกเพราะว่าประเด็นเขาคือตีห้าประเด็นเขาคือตีห้าใช่ไหมเดี๋ยวพ่อเมื่อถึงตีห้าแล้วโอ้ยมันขี่เกียจมันอึดอัดนะเขาก็ฝืนข้างในล้วต้องลุกขึ้นมานี่ เขาตั้งโจทย์เนี่ยที่เขาตั้งโจทย์เนี่ยคือตั้งโจทย์ข้างนอกเห็นไหมตีห้าฉันต้องตื่นขึ้นมาทุกวันอันนี้ก็เขาตั้งโจทย์ข้างนอกแต่ ว, ว่าข้างในเขาเน่ะพอถึงเวลาตีห้าปุ๊บโอ้ยมันขี้เกียจไม่อยากลุกเลยต้องลุกขึ้นมาฝืกอันนี่ยเขาก็ต้องจับ ด, ดันตัวข้างในเขาแหละให้มันลุกออกมาตามตามตามข้างนอกบางคนตั้งโจทย์ข้างนอกไง ตั้งโจทย์ฝืนข้างนอกแต่ก็มีผลข้างในด้วยแต่โจทย์เขาอยู่ข้างนอกแบบเหมือนเราตั้งโจทย์ไม่กินทุเรียนตั้งโจทย์ไม่กินข้าวเย็นตั้งโจทย์ที่จะอะไรพวกเนี้ยเนี่คือตั้งโจทย์ข้างนอกนะแต่ข้างในเนี้ยมันก็จะได้ฝืนไปด้วยเออมาถกกันให้มันชัดเจนก็ได้แต่ตอนเนี้ยตัวข้างในอธิบาอยากให้ทุกคนตั้งเป้าประเด็นให้ชัดตรงนี้ว่าตั้งใจข้างในคือตั้งใจฝืนฝืนข้างในนะ ฝืนที่จะไม่ทำอะไรกับทุกสภาวะข้างในนะตั้งใจที่จะไม่ทำอะไรกับทุกเรื่องของมันเลยแต่จะเรียนรู้การกระทำของมัน อ, นนอนันเนี้ยอยากให้ฝืนตรงจุเนี้ยเพราะทุกคนนะมันจะมีประเด็นอยู่ด้า น, นหนึ่งเวลามันมีอะไรปุ๊บข้างในเราชอบทำงานไม่ชอบของเรานะ่ะชอบทำงานนะไม่ชอบดูการทางานของมัน เราชอบไปทำงานแทนมันตัวเนี้ยเราหัดฝืนให้ดีๆเพราะมันจะเป็นอุบนิสัตต่อไปในภายต่อไปในภา ย, ยหน้าทำให้เราพ้นจากอารมณ์ได้เพราะอารมณ์มันทำกันอยู่แล้วแต่เราไปทำงานแทนมันเองเอา้าวขอเข้าใจไหมนอกนาจิมทุกคนถกกันให้มันเขาน้าใจไหมเข้าใจค่ะเข<อ>้าใจค่ะก<อ>้อยก้อ ขอทำความเข้าใจอีกนิดนึงนะคะคือการที่จะให้เขากําหนดฝืนหลักหรือฝืนรองเนี่ยเขาอาจจะมีนอกหรือในก็ได้แต่ทุกเรื่องที่ฝืนมันไม่พ้นเรื่องข้างในมันอาจจะไม่มีข้างนอกแต่ทุกเรื่องมันต้องฝืนข้างในทุกเรื่องเลยใช่ไหมคะอาจารย์มันไม่มีปจะฝืนข้างนอกอย่างเดียวแล้วมีฝืนข้างในค่ะใช่เป้าหมายอย่างเช่นบางคนก็ตั้งใจจะฝืนอย่างนี้ก็ได้เขาตั้งใจประเด็นในเช่นเวลาฉันชอบฉันชอบอะไร เวลาฉันโกรธฉันจะไม่พูดนี่ก็าเรียกตั้งประเด็นข้างในไงเนี่ยเวลาฉันโกรธแล้วฉันจะไม่พูดฉันจะไม่ทำนี่นี่เขเรียกตั้งประเด็นข้างในอ่าตั้งประเด็นข้างในแต่บางคนน่ะเขาตั้งประเด็นข้างนอกเช่นน่ะฉันชอบกินกาแฟต่อไปฉันจะไม่กินกาแฟนะอันนี่ยก็เรียกตั้งประเด็นข้างนอกตั้งประเด็นฝืนข้างนอกแต่ก็จะมีผลข้างในด้วยมันอยู่ที่เขาตั้งประเด็นจุดไหนต่างหาก ใช่ใเพราะไอ้ตัวโกดเนี่ยมันไม่มีวัตถุมันไม่มีตัวที่เราเห็นแต่มันอยู่ในใจเราว่าเราโกดแต่ไอ้ตัวตาแปนเราเห็นมันเป็นตัวทีราเหาะอ่าแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นรูปคือเราไม่กินได้ค่ะเออมันเป็นรูปเออเนี่ยให้ขีแยกให้แชทว่าอันไหนรูปอันไหนนามในในรูปอันไหนนามเพราะมันจะต้องฝึกจิตให้มันเห็นทั้งรูปทั้งนามพราะมันนี่เรื่องสองเรื่องนี้เท่านั้นที่เราจะต้องให้ทําให้จิตมันออกมาแจให้ได้ ให้จิตเป็นอิสระจากสองเรื่องนี้ให้ได้ไม่งั้นสองเรื่องนี้แหละมันจะคอยดับปั่นจิตให้เราปั่นป่วนเข้าใจเนะาะค่ะค่ะพระอรพระสบทุกคนพอเข้าใจนะค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวน้องขอทบทวนอีกนิดหนึ่งว่าที่จิมเขาถามมาค่ะพระอาจารย์เขาบอกว่าแต่เดิมเราเคยตั้งโจทย์ว่าจะฝืนนอก หือฝืนในแต่ตอนเนี้ยถ้าเราปรับมาเป็นว่าเราจะฝืนสมมุติอย่างที่อาจารย์พูดตะเคียะค่ะเวลาฉันปวดฉันจะไม่พูดเนี่ยค่ะประเด็นมันคือนอกนะคะอ่าเนี่ยค่ะแต่ทีนี้ประเด็นประเด็นเราคือนายประเด็นประนคือนายประเด็นมันคือนายถ้าสมมติเราตั้งอันเนี้ยเป็นประเด็นอย่างนี้ไว้นะคะแต่เวลาฝืนจริงๆเนี่ยมันมีทั้งนอกและในายจีมเขาขอขอลักษณะเนี่ยค่ะว่าให้ตั้งเป็นหัวข้ออย่างนี้ แต่เวลาฝึก จ, จริงๆเนี่ยมันมีทั้งนอกทั้งในยอย่างนี้ได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะเอ่ก็อย่างนี้อาจจะให้เขาตั้งหัวข้อสักสองสองประเด็นก็ได้ประเด็นนอกคือเรื่องนี้ประเด็นใจคือเรื่องนี้อืมค่ะอ่าประเด็นนอกคือเรื่องเรื่องของวัตถุประเด็นในคือเรื่องของอารมณ์อย่างเงี้ยให้ให้ก็ได้ให้ก็ได้หัดซ้อมทั้งรูปทั้งน้ำทั้งรูปทั้งนาำไปเรื่อยๆเราต้องการให้เขาให้จิตเขาได้หัดเฉนด เห็นโลกทั้งสอง ส, องส่วนนี้อยู่เรื่อยๆอาจจะตั้งประเด็นสองประเด็นนี้ให้ชัดเจ้าค่ะพอเข้าใจนะเจ้าคะขอถามอีกอันหนึ่งค่ะสมมุติว่ากถเขาบอกว่าเขาตั้งเดนว่าเขาจะไม่ขับรถเร็วเพราะว่าเขานนแล้วก็จะไม่ฟ้องชาวบ้านนะี่ะจะพยายามไม่ขับรถเร็วไม่แซงจะมาอันนี้เป็นนอกใช่ไหมฮะอ่า เป็นนอกไม่ให้ให้นึกถึงว่าคนอะ่ะเท่าใช้กับวัตถุอะ่ะเช่นไม่ขับรถเร็วบ้างหรือบางคนก็จะว่าฉันไม่จะไม่ฟังเพลงอันนี้ก็คือนอกฉันจะไม่เอากลิ่นที่ฉันชอบหรือฉันจะไม่กินอาหารรสที่ฉันชอบหรือฉันจะไม่เอาผัสสะทางร่างกายที่ดีอันนี้นอกทั้งหมดเลยนอกเนี่ยจะมีอยู่ห้าเรื่องนี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายพูดเสียงจิตวิสัมปัท น, นี่คือนอกทั้งหมดเลยตีไปเลย ฮนะในก็คือความข้างในคือพอใจไม่พอใจความโกรธความเกลียดความรักความชั้งนี่คือข้างในเนี่ยแยกไปอย่างนี้เลยจะขับรถเร็วไม่แซงใครอันเนี้ยนี่เด็กข้างนอกแต่ว่ามันจะมีผลสู่ข้างในของมันเดี๋ยวเองเสร็จนั่นแหละถ้าเราฝึกอันนี้อันหนึ่งนะทุกคนถ้าเราฝึกข้างนอก ฝึกฝืนข้างนอกมากเข้ามากเข้าในนะมันจะได้แค่ขั้นศีลฟังนี่ดีๆนะเมพราะมันจะควบคุมกายกรรมกับวิจีกรรมเท่านั้นเองมันจะได้แค่ขั้นศีลแต่ถ้าเราฝึกขั้นข้างในอ่ะข้างในอ่ะมันจะได้สู่ตัวตัวข้างในอ่ะมันจะจะเป็นขั้นของปรมัตดฝืนข้างในนะมันจะเป็นขั้นของปรมัตด ขั้นของจิตที่มันกำลังที่จะเผชิญอารมณ์ตรงๆเช่นโกรธใครแล้วเช่นมีความโกรธแล้วฉันจะไม่พูดฉันจะไม่ทำเนี่ยนี่ืรนข้างใ น, นเรวตรงเนี่ยมันจะได้เป็นขั้นของปรมัตคือจิตได้ฝึกรู้กับสภาวะนั้นตรงๆเลยไม่ทำตามแต่ข้าง น, นอกนะพอเราไม่ทำตามปุ๊บเนี่ยไม่เอากายกรรมกับวจีกรรมไปทำตามอารมณนน์นั้นๆน่ะมันได้แค่ขั้นเสีงเข้าใจไหม เอาละค่ะ<อ>ฉันวันนี้ใกล้ไลน์ให้ให้อีกสามไออีกสามเรื่องเนี่ย า, าไปทํากันนะหนึ่งให้ก่อนจะหัดรู้สึกตัวเนี่ยให้รู้สึกตัวแบบธรรมชาติที่มันกําลังเกิดขึ้นอยู่เดี๋ยวนี้ขณะนี้เวลานี้ตอนนี้ น, น, นี่นะรู้สึกตัวที่เป็นธรรมชาติเดิมแท้ที่กําลังมีอาการจะเกิดขึ้นกับเราเดี๋ยวนี้ตอนนี้เวลานี้ก็หัดรู้ไป ให้ความสําคัญมั่นหมายให้ให้ความสําคัญตัวนี้นักให้มากนะอาศัยมันก่อนอาศัยให้มีกําลังก่อนให้เห็นความสําคัญในกร ะ, ะออฉันได้รู้แล้วรู้แบบธรม ร, บบธรมชาติเป็นอย่างนี้นะรู้แบบธรรมชาติเป็นอย่างนี้นะเพื่อตอกอย้าให้จิตย ก, กขึ้นชิงการรู้แบบธรรมชาติว่ามีสภาวะเกิดก่อนแล้วรู้กับอีกอันหนึ่งคือสภาวะที่เกิดขึ้นจากการกะระทําอันนี้เป็นตัวส่งเสริมตัวการรู้ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเพราะว่า มันจะทำได้ตลอดเวลาอันที่สองคือให้รู้จักว่าตัวรู้เนี่ยเขาไม่ได้ทำอะไรตัวรู้สึกตัวจริงๆเขาไม่ได้ทำอะไรแต่เขามารู้การกระทำของรูปและนามนอกและในนี่แหละธาตุสี่กับขันห้าธาตุสี่ก็คือข้างนอกขันห้าก็คือข้างในสามภาษาพระเนี่ยก็จะเราจะงงไว้อีก โอ้ยไม่พูดยากกว่าเข้าใจแล้วครับอาจารย์งงงนอในก็ยังงงอีกถ้าจีกันหน้ก็งงอีกโอ้รูปเสียงจิตเราสัมผัดกับอารมณ์ก็ยังงงกันอีกเอาเอางี้ชัดๆกันละกันคือข้างในเราก็จะเน้นจะเน้นที่จะไม่ทําอะไรไงเพื่อจะให้จิตมันสัมผัสกับตัวรู้สึกตัวซื่ อ, อ, อจริงๆว่ะรู้แล้วไม่ริดทาอะไรมันจะตรงกับสบภาวะของตัวรู้จริงๆที่ เขาทำหน้าที่รู้การกระทำเขาไม่ได้ลงมือกระทำอะไรเลยเนี่ยแล้วก็อยู่กับปัจจุบันนี่คือหลักของการฝือนะพูดไปมากเดี๋ยวก็จะงงอีกเนาะเอาแค่นี้พอเนอะเ <c oughs> ข้าใจเนาะมีใครตอบเลยดิเง <c oughs> ียบเนาะเข้าใจค่ะพระอาจารย์เข้าใจคะ่าจาจคะ เพียงแต่แตะกี้จะเน้นว่าเวลาเราจะเอาไปที่ที่ประเด็นคิดว่าจิมแล้วก็ทุกคนเข้าใจหมดนะคะอาจารย์ที่พอาจารย์พูดเพียงแต่ว่าที่เน้นก็คือว่ามันจะไปสื่อสารตรงที่ว่าจะตั้งประเด็นในการฝืนนอกฝืนในยังไงเท่านั้นเองคะ่ะอาจารย์ตอนนี้เข้าใจกันแล้วเนาะเข้าใจที่จะตั้งประเด็นเหตุเขาแล้วนะทุกคนยิงว่าง่าย ใช <จ S 1> ่โอเคนะพอจะทำตายได้พอจะรู้จักหลักการฝืนแล้วนะใช่ค่ะชิ้นว่าง่ายเงียบจีบนะรู้เรื่องเปล่าชินนะเออเออเอ อ, เ อ, องั้นเอาแค่นี้ก่อนเนาะ เดี๋ยวๆก่อนค่ะพระอาจารย์ขอคำถามสุดท้ายค่ะว่าวันวันที่สิบสามที่จะถึงเนี่ยค่ะพระอาจารย์ครบสิบห้าวันแล้วอะค่ะพระอาจารย์อยากจะฟังอะไรกับกลุ่มแรกค่ะอยากจะอยากจะให้เขาเล่าอะไรให้พระอาจารย์ฟังค่ะเมื่อกี้ให้ประเด็นเข้าไปแล้วว่าประเด็นประเด็นแรกคือประเด็นเนี่ยว่าฟังสื่อเข้าใจอะไรกันบ้างเข้าใจไม่ทาตามสื่อแล้วแล้วประเด็นที่สองก็คือ เมื่อฟังแล้วนำไปฝืนอะไรได้บ้างเพราะหัวหัว้อของเราในการฝึกวันนี้ประเด็นมันคือฝึกฝืนก็ให้เขารายงานการฝึกฝืนของเขานั่นแหละแค่นี้แหละอาจารย์ขอบพระคุณเจ้าค่ะเออคุยกับคุณก้อยไปแล้วอ๋อบทนาทุกท่านเนาะค่ะ <c oughs> กรับอาจารย์จ้ค่ะอาจารยเจ้าค่ะเข้มแข็งทุกคนนะเข้มแข็งทุกคนนะอาจารย์ค่ะกลาบขอพคุณเจ้าค่ะสาธุขอบคุณค่ะอาจารย์โอเค